อานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่ก็อนาปานสติที่เมื่อเธอเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่คือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสูป่ป่า สู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนำรงสติไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกนึกถึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัด ว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็มีสติรู้ชัด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 ให้ระงรับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับหายใจออกเช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชํานาญที่เมื่อเข่าชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวหรือเมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้ น, นใณะใดขณะนั้นที่เธอในสมัยใดพูดที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำว่าเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เรนั้นในเรื่องนี้เธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเปลี่ยนเบากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้และในสมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ writ, ่งปีติหายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งความสุขหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมรรอเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิต ให้หระับหายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้หระงับหายใจออกสมัยนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเพราะเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดี ตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายประเพณนั้นในเรื่องนี้ตะย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเปลี่ยนเป๋ากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจ และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้และในสมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิต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 ทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเพราะเราย่อมกล่าวการมีสติ อยู่ในลมหายใจว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้ที่มีสติอันไม่ลืมหลงมีสัมปชัญญะเพระนั้นในเรื่องนี้เธอนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแต่ในสมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยง อยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางกลาย อยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอพูดที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ ว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาประเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้เธอนั้นยอมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อาณาปานสติสมาธิที่เธอเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้ส่งใหญ่ข้าพเจ้าพระภัยบู์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนั้นครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดออรสะอาดเนี่ย ท่านสอนวิธีการปฏิบัติโดยใช้อานาปานสติคือการที่เรามาระลึกถึงลหมหายใจแล้วันนี้จึงได้ให้ฟังพระสูตรที่เป็นพื้นฐานที่เป็นขั้นเบื้องต้นเลยที่พระเช้าได้ตรัสไว้ก็ประมาณสักสี่ย่อหน้าประมาณสักไม่เกิน2หน้ากระดาษะยาวประมาณสักสี่ย่อหน้านี่เป็นพระสูตรสั้นๆที่ตัดมาให้ตำฟังฟั่งนี้หลายหลายคนครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมา ท่านก็ไปเขียนอธิบายได้เป็นหนังสือ 2-300 หน้านุา่นหรือว่าเป็นหลายๆตอนอย่างท่านบุรุษธาต่หนังสือเรื่องอนาปานาสติของท่านเนี่ยก็เป็นหลายๆร้อยหน้าครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนั้นถัดมาเนี่ยก็เขียนหนังสือเกี่ยวกวับอานาปานาสติอีกหลายเล่มนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของการแค่ว่าเรามีสติในลมหายใจเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ที่เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจประเภทไหน กเกี่ยวข้องกับกายอย่างไรเวทนาอย่างไรอย่างนี้ซึ่งทางฟังหลายท่านก็าอาจจะมีคําถามข้อสงสัยในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอยู่แต่ซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ถ้าหนังสือหมดเล่มก็คงเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์อยู่กว่าเราจะปฏิบัติแต่ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยก็่าจะเขียนหนังสือขึ้นมาได้สักเล่มหนึ่งประสบการณ์การปฏิบัติของท่านต่างๆเนี่ยก็เป็น2030ปีแต่กว่าจะเข้าใจลึกซึ้งหมดจบ ในเรื่องราวตรง4ย่อหน้า5ย่อหน้ า, นาที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากอย่างไรก็ตามรายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยก็เกิดมาจากตัวแม่บทตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้และ้นในที่ได้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นรายการคือตัวประสูในที่เกี่ยวกับอนาปานสติตัดมาเฉพาะตรงส่วนที่สําคัญสำคัญที่เป็นเนื้อที่พูดถึงว่าเราจะาสังเกตลมหายใจของเราได้อย่างไร ซึ่งในที่นี้ถ้าเราจะอธิบายกันให้สั้นๆย่อๆเข้าใจง่ายจับใจความสําคัญได้ชนิดที่เรียกว่าเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็คืออยู่ที่ประโยคแรกเท่านั้นเองท่ผู้ฟังอยู่ตรงที่ว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตรงนี้เท่านั้นเองในที่พระเจ้าได้ตรัสว่ า, ามาแล้วสู่ป่าสุ่คนไม้เอานั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วไอ้ที่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงแเราก็อธิบายขยายความออกไปนะอีกเป็นสี่ย่อหน้านะโดยหมวดแรกย่อหน้าแรกนะก็พูดถึงเรื่องของกายในกายใช่ห เ, เห็นส่วนที่เป็นกายแยกไปเวทนาไปจิตไปธรรมไปเนะเพราะว่าอนาปานสติเนี่ยจะพูดถึงก็คือเป็นธรรมอันเดียวเป็นธรรมอันเอก เออยู่ที่ไหนเดียวอยู่ที่ไหนนั่นก็คืออยู่ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นในลมหายใจของเราเนี่ยถ้าเราจะแยกย่อยแบ่งแตกกระจายออกไปแต่มันก็มีทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตและทั้งธรรมะอยู่ในอันเดียวกันซึ่งในเราถ้าคนยังไม่เคยผ่านประสบการณ์การปฏิบัติเยังไม่เคยไปปฏิ บ, บัติธรรมที่ไหนเนี่ยเอาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ธรรมดานะก็คือเหมือนกับมีลมหายใจทั่วๆไปแต่แต่ถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติเนี่ย จะพบว่าในลมหายใจของเราเนี่ยเราสามารถเห็นสัมผัสของลมหายใจก็ได้หรือเราสามารถเห็นผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็ได้เราสามารถเห็นตัวลมหายใจเรื่องของกายนีอันนี้ก็ได้แต่บางทีลมหายใจร้อนบ้างลมหายใจเย็นลมหายใจห่างทีสั้นยาวไม่เท่ากันทีนี้ถ้าถามอย่างง่ายๆสั้นๆนนก็คือรู้ลมหายใจง่ายที่สุดสั้นที่สุด อา้าแล้วไอ้ที่รู้หรอกหมใจมันเป็นยังไงบ้างอาจจะเปเรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับว่าข้าวมเมล็ด1แต่คุณจะกินข้าวมเมล็ด1ก็ดูเป็นข้าวมเมล็ด1ก็จบไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ทางองค์ประกอบแยกย่อยเราก็จะพบว่าอ๋อข้างในมันมีคาร์โบไฮเดรตก็ได้มันมีกรดแร้มีวิตามินมีสารอื่นๆอยู่ในข้าวมเมล็ดเดียวที่คุณเห็นว่ามันเหมือนไม่มีอะไรนี่แหละเช่นเดียวกันลมหายใจของเรานเราก็ดูว่ามันก็แค่เป็นลมธรรมดานะ ถ้าคนยังไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติแต่ถ้าเรามาดูเข้าไปในรายละเอียดแต่มีทั้งกายก็อยู่ในนี้เวทนาจิตและธรรมนแบ่งเป็น4ี่หมวดที่อยู่ในนี้ในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของกายนะกายมีอะไรบ้างแล้วนะก็ลมหายใจประเภทต่างๆสั้นบ้างยาวบ้างนะการปรุงแต่งในรูปแบบอื่นๆพนะระเจ้าได้แยกถึง4ส่วนด้วยกันนะคืออันดับแรกคือเรื่องของลมที่ยาวนะสองลมที่สั้น3กายทั้งปวง และ4การทํากายให้ระงับลนะมหา่ใจที่ต้องพูดถึงสั้นและยาวนั้นนั่นก็เพื่อที่จะให้ทําความเข้าใจว่าไม่ว่าจะลมสั้นหรือลมยาวเนี่ยเราสามารถมีสติได้โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็ตีความไปในนัยยะที่ว่าไม่ให้ตามลมเข้าไม่ให้ตามลมออกนะคือลมมันจะสั้นหรือมันจะยาวมันจะเร็วหรือมันจะช้ามันจะเข้ารูเดียวหรือออก2รูหรือไม่ว่าจะเป็นลมประเภทอื่นๆเนี่ยให้เรามีสติอยู่อย่างเดียวได้ แต่ตัวอย่างที่พระเจ้ายกในที่นี้ก็คือเหมือนช่างกลึงแต่ถ้าใครเคยไปดูตามโรงกลึงเห็นช่างกลึงเขากลึงชิ้นงานเนี่ยจะพบว่าสายตาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างตัวชิ้นงานกับใบมีดจะไม่ได้มาดูที่มือที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะปรับคันชักให้เร็วให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวเช่นเดียวกันเราก็ไม่ได้ตามหล่มนันะนี้พูดถึงว่าการที่เราไม่ต้องตามหลม่มในะในข้อที่สั้นและยาว ส่วนข้อที่ว่ากายนั้นก็มีกายประเภทต่างๆอันนี้ก็คือพูดโดยรวมทั้งหมดว่ามันยังมีอื่นๆอีกแต่บางทีเราเห็นธาตุาลมคือกายบางทีในขณะที่เรารู้ลมหายใจนั้นเราก็รู้สึกถึงหัวใจเร า, เรา เ, ราเราเต้นไปด้วยแต่บางคนถึงแม้ขนาดได้ยินเสียงลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของกายทั้งสิน้นะให้รู้อยู่นะรู้ในที่นี้คือรู้ลมหายใจไปด้วยแนะคุณอาจจะรู้เห็นสิ่งอื่นๆในกายด้วย นี่ก็คือส่วนที่3ในข้อที่สที่พูดถึงว่าให้ทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับนะัคือการปรุงแต่งทางกายอย่างที่ว่าเปเมื่อสกักครู่นี่แหละนะให้มันระงรับลงระงรับลงทำไมถึงต้องให้ระงรับลงเพราะฉะนั้นนี้เราต้องการรวบรวมนะจิตใจของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวนะการที่จิตมันออกไปรับรู้จุดนั้นจุดนี้ในะกําลังมันก็จะลดลงนะจึงเป็นขั้นตอนที่ให้รวมเข้ามารวมเข้ามา ในหมวดที่2คือพูดถึงเรื่องของเวทนาในะเวทนานั้นหมายถึงอะไรแต่นะเวทนาก็คือความความรู้สึกแตนะ่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเวลาที่เรามารับรู้ถึงลมงหายใจแตนะความรู้สึกเป็นผลของอะไรเวทนาเป็นผลงออะไรเนะเป็นผลของผัสส ะ, ะนั่นเองเพราะนั้นเวลาที่ลมหายใจมันผ่านเข้าผ่านออกมันมีการกระทบแต่เราก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกดะบงังความรู้สึกนี้นะี่ยที่เป็นผลของผัสสะเนี่ย มันก็เป็นความรู้สึกที่เป็นเป็นปีติบ้างเป็นความอิ่มเอิบใจบ้างเป็นความสุขบ้างในเะวทนาบางทีก็เป็นความทุกข์ก็มีนะสุขก็มีทุกข์ก็มีในะที่พระเจ้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเนี่ยคือยกมาอย่างเดียวในะทุกขก็ต้องรู้ด้วยในะอุเบกขาก็ต้องรู้ด้วยที่พูดถึงทุกขและอุเบกขาแตนะ่ก็ไปรวมอยู่เรื่องของการปรุงแต่งทางจิตในะจิตเนี่ยมันปรุงแต่งไปได้หลายอย่าง เราจะมารู้ถึงการปรุงแต่งทางจิตนั่นคือผัสสะนั่นเองก็เป็นผัสสะเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติอันเดียวกนนันเหมือนกับผัสสะของลมหายใจที่มากระทบเพราะนั่นถ้าเรารู้ถึงผัสสะที่เกิดขึ้นทางจิตะมีการปรุงแต่งของจิตเป็นในลักษณะต่างๆแล้วก็มีสติในลมหายใจด้วยแล้วเราก็จะต้องทําการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้มันระงับลงทําไมถึงต้องทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับลงเพราะว่าเราต้องการทําจิตให้สงบนั่นเอง แต่ถ้าจิตยังมีการปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นๆการปรุงแต่ง น, นั้นอาจจะเป็นเรื่องกุศลก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันระ ง, งับลงระ ง, งับลงความละเอียดลงละเอียดลงมันก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของจิตในหมวดที่3ในเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตนั้นก็หมายความว่าในลมหายใจที่เรากําลังมาดูอยู่เนี่ยนอกจากมีส่วนที่เป็นกายแล้วในมีส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะสัมผัสของลมแล้วแล้วก็ยังมีส่วนพูดที่เข้าไปรู้ลมหายใจ นั่นคือจิตนั่นเองเราจะเห็นจิตได้ก็ต่อเมื่อมีการทําการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้มันระ ง, งับลงให้มันลดลงนะเหมือนกับคลื่นลมแรงอะไรต่างๆเกิดขึ้นอยู่บนผิวน้ำเนี่ยแตนะ่เราก็จะมองไม่เห็นว่าเอ้ข้างใต้น้ำเนี่ยมีอะไรแตนะ่ต่อให้น้ํามันใสขนาดไหนก็ตามแตนะ่ถ้าผิวน้ํามันมีคลื่นมีอะไรเราก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าผิวน้ําสงบลงแล้วนะไอ้ผิวน้ํามันเรียบแล้วนะน้ําใสเราก็จะมองเห็นว่า ในผ้ายใต้น้ำเนี่ยมีหอยมีปลามีก้อนกรวดอยู่ได้อย่างไรแต่เช่นเดียวกันจิตของเราจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีการปรุงแต่งฟุ้งคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะไม่เห็นตัวจิตแต่เราจึงต้องทําการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้มันระ ง, งับลงระ ง, งับลงเจะจนกระทั่งเห็นตัวจิตเดิมแท้ว่าเป็นยังไงในจิตเดิมแท้ที่เป็นรากของมันไปอีกนะก็ยังไม่เห็นนะแต่นี่คือเห็นจิตที่ไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ทีนี้บางคนอาจจะมีประสบการณ์เห็นจิตตัวเองแต่ว่าก็ยังวางไม่ได้นั่นก็จึงเป็นส่วนถัดไปในที่พูดถึงเรื่องของเห็นธรรมในธรรมในการที่จะพูดถึงตรงนั้นในการที่เราเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คือจะต้องทำจิตให้มีความเป็นสมาธิด้วยสงบด้วยตั้งมั่นด้วยคือจิตที่เราเห็นจิตตัวเองของเราแล้วเนี่ยมีการปรุงแต่งท้งจิตระงับไปแล้วเนี่ยก็ชื่อว่ามีสมาธิในระดับหนึ่ง สมาธิที่เราพูดถึงในลักษณะของสัมมาสมาธินั้นนั่นคือเป็นสมาธิที่มีปัญญาอยู่ด้วย่เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อที่จะให้เห็นได้ตามที่เป็นจริงไม่ได้ยึดถือในสมาธิตรงนั้นพระเจ้าจึงพูดตรงนี้ว่าทําจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ทําจิตให้ปล่อยอยู่ด้วยนอย่าไปยึดถือในสมาธินั้นให้เห็นสมาธินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเพราะน้ำคาว่าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง่ไม่ใช่หมายความว่า เราจะต้องไปคิดวิเคราะห์นะคือการคิดวิเคราะห์นี่ก็เป็นการปรุงแต่งต่างจิตอย่างหนึ่งนะแต่เห็นโดยที่มันไม่ใช่ตัวเราของเรานะตรงนี้คือเห็นความไม่เที่ยงบางทีมันจางคลายไปดับไปเราก็สังเกตให้เห็นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราก็ปล่อยเข้าวางเขาให้ได้แตนะ่ในหมวดสีหมวดที่อยู่ในอนาปานสติเนี่ยที่แบ่งเป็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าพูดให้รายละเอียดเนี่ยที่วัดป่าเราในโฉกเราก็สอนอยูนะ่สอนก็อยู่7วันตั้งหวัง แต่จะมาพูดใน30นาทีมันก็คงจะพูดได้เท่านีนะ้หรือถ้าจะเขียนเป็นหนังสือก็อย่างที่ครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อท่านพุพทธตาเป็นต้นนะเขียนเป็นหนังสือ 2-300 าม้อหนะ้านะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็เขียนเอาไวา้แนละรายละเอียดต่างๆที่เขาอธิบายกันไปแล้วก็มีทีนี้ในการที่พระเจ้าแยกแยะออกมาตรงนี้เนี่ยาถามว่าแต่ละขั้นตอนสามารถข้ามกันได้ไหมแล้วนะมันเหมือนกับอ า, อาหารที่อยู่ในจานเดียวกันนะท่านผะูฟัง นะเขาคลุกคล้าเข้ากันรวมกันดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะกินตรงไหนก็ได้นะพูดอย่างนั้นดีกว่าทีนี้บางคนจะมีความคิดว่างั้นต้องไปตามลําดับไหมนะกายก่อนเวทนาจิตหรือธรรมเอหรือ ย, ย้อนกลับได้ไหมจิตแล้วก็มากายเดี๋ยวกลับไปทำแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเวทนาอย่างนี้นะคือมันอยู่ด้วยกันตามฝังนะคือมันผสมกันอยู่ในนี้นะมันไม่ได้แยกเป็นสายเป็นเส้นเป็นลําดับอย่างนั้นแต่เพราะว่าข้อจากัดในเรื่องของการพูด นะการสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยการสื่อสารทางหนังสือเนี่ยมันก็ต้องเขียนเป็นลำดับลดับมาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในจิตจิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงลมหายใจนั่นแหละลมหายใจอยู่ตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงนั้นนะจิตอยู่ที่ไห น, นลมหายใจอยู่ที่นั่นอาณาปานาสติทั้งหมดก็อยู่ตรงนีนะ้เราจะเห็นตรงไหนก็ได้เห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น้นะมันก็จะค่อยสงบลงไปเองนะมีสติสัมปชัญญะมีสติไม่ลืมหลงขั้นตอนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ ถ้าทด้นปฟังเคยดูการเลื่อยเรื่อยไม้อย่างนี้เราจะพบว่าเวลาที่เขาจรดคมเลื่อยลงไปบนเนื้อไม้เนี่ยเราก็จะเห็นทั้งเหล็กที่คือตัวเลื่อยคมเลื่อยที่มันกำลังกินเนื้อไม้อยู่เห็นตัวไม้เห็นขี้เลื่อยที่ไหลออกมาและสีก็ยังเห็นท่าทางการเลื่อยมุมองศาการเลื่อยความเร็วในการเลื่อยอยู่ตรงนั้น เขาจะเปรียบเทียบกับลมหายใจนะคือแท่งไม้แล้วก็จิตก็เหมือนกับเลื่อยแตนะ่เราใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ด้วยกันปุ๊บอา้าวขี้เลื่อยออกมาคือเวทนามันเกิดแต่ตอนไหนที่ไม่ได้ใส่คมเลื่อยลงไปนะไอ้ขี้เลื่อยมันก็ไม่ได้ออกมาในขณะนะที่ใส่คมเลื่อยลงไปนะก็เห็นมุมองศาท่าทางการเลื่อยนะความเร็วในการเลื่อยนั่นก็เป็นเปรียบเส ม, มือนกับธรรมในธรรมดังนะนั้นที่เราเห็นชัดเจนคือลมหายใจเห็นชัดเจน เราเห็นชัดเจนคือจิตมันต้องมารู้การมันมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเวทนาธรรมะอะไรต่างา ม, มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับที่เวลาเรื่อยถ้ามาโดนกับไม้ขี้เลื่อยก็ไหลออกมาถ้าทางการเลื่อยก็จะเห็นเกิดขึ้นดังนั้นมันอยู่ด้วยกันตรงนี้มันะเป็นไปอย่างธรรมชาติและเวลาที่เราทําปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องแยกแยะนะหรือว่าทําความสับสนให้เกิดขึ้นไอ้ต้องทําตรงนั้นตรงนี้ก่อนหรือเปล่าในที่สําคัญคือไอ้ตรงแรกตรงนั้นเอง แนที่ว่าต้องมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่บางคนมีประสบการณ์แตกต่างกันไปเหมือนกระตกเหวบางคนเหมือนกับรู้สึกว่าอุ้ยมันลอยขึ้นแต่บางคนคันตรงนั้นกันตรงนี้ไอ้พวกเนี้ยมันกลับมาได้หมดแต่บางทีเราวางไปแล้วเอ้เราคิดว่าเราวางได้แล้วอาการบางอย่างมันกลับกําเริบขึ้นมาอีกความคิดฟุ้งซ่านบางอย่างไอ้ที่เราเรื่องอดีตบางเรื่องไม่เคยนึกถึงไม่เคยจำได้เอ๊ะมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แะ นะถามว่าเอะเราจะทํำยังไงให้ไอ้สิ่งที่มันวางไปแล้วดับไปแล้วเนี่ยมันดับไปไม่กลับกําเริบขึ้นมาอีกซึ่งเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงเหตุนะสําหรับบุคคลที่ทําอานาปานาสติแล้วเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้านะเข้าถึงทำอันไม่กลับกําเริบได้นะจําได้ไหมว่าพูดเรื่องรายไปนะก็อย่างเช่นว่าการที่เราเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องอยู่เสมอในะการทีนะ่เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการอย่างชีวิต เนะมีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆทรงสุดตะสังสมสุดตะแนะี่เป็นผู้ที่รู้ว่าจิตของเราหลุดพ้นเป็นลําดับลําดับแล้วอย่างไรเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากเนะี่ยซึ่งธรรมะคถาต่างๆเนะ่ซึ่งตรงนั้นแหละเป็นเหตุแตนะ่ถามว่าใครสกักคนใดคนหนึ่งจะเข้าใจอานาปานาสติได้ลึกซึ้งนะถึงเนื้อหายาแยะ แ, แตกต่างกันไปได้เนี่ยก็คุณก็ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเนะี่ยกินข้าวอิ่มไปหรือเปล่า นะอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายหรือเปล่าแต่พวกนี้จะทําให้เรามีความแตกฉานซึ่งเรื่องนี้นะท่ า, านฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็30ปี40ปีนะห้ปีนั่งสมาธิกันแต่ก็ยังมีความแตกฉานละเอียดลึกซึ้งไปได้อยู่ซึ่งถามว่าไอ้ความแตกฉานละเอียดลึกซึ้งที่ท่านทําได้มากขึ้นนะบางบางทีบางครั้งการกําหนดบทเพี้ยนชนะที่จะมาอธิบายเนี่ย ม, มันยากเหมือนกันแตเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยก็ทําเองด้วย สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นต้นบัญญัติแล้วนะให้ข้อมูลของเราเบื้องต้นเอาไว้แล้วนั่นะก็คืออย่างที่ได้พูดให้ฟังตอนต้นรายการแล้วนะเราเอาตรงนี้มาใคร่ควรวนทำความเข้าใจในะการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าไปได้แล้วเวลาถ้าเรามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยให้มีสติไว้ก่อนนะมีสติตั้งเอาไว้อยู่ที่ลมหายใจก่อนการมีสติตั้งไว้อยู่ที่ลมหายใจอย่างน้อยนะทำจิตตรงนั้นให้มีสมาธิเกิดขึ้นได้บ้าง สมาธิที่เกิดขึ้นเราคลายครวนปัญหาบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยจะทําให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจซึ่งความแจ่มแจ้งบางทีเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายเป็นเป็นบทเพียนชนะออกมาได้แตนะ่เป็นความเข้าใจที่รู้อยู่ในตัวของเรานะความสงสัยมันหลุดออกไปนะความเข้าใจก็เกิดขึ้นนะปัญหามันก็แก้ไปโดยบางทีที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคําตอบเป๊ะๆของปัญหานั้นมันคืออะไรแต่ความสงสัยมันดับไปความเข้าใจมันเกิดขึ้นมาแทน ซึ่งมันก็เกิดจากการที่เราทําความเข้าใจไอ้ตัวแม่บทตัวมาติกาที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นแหละข้อสังเกตอันหนึ่งในเรื่องประสุตนี้เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าแบ่งไว้เป็น4ตอนด้วยกันนั่นคือกายแล้วก็ย่อหน้าหนึ่งเวทนาก็ยอ่อนาหนึ่งจิตก็ยอ่อนาหนึ่งธรรมก็อีกส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนนั้นก็แบ่งเป็นอีกสี่ตอนในแต่ละตอนเราจะสังเกตได้ว่าความละเอียดมันเพิ่มขึ้นในแต่ละตอน ในเรื่องของกายกระจากลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างเหยียบหยาบมารู้กายทั้งปวงจนกระทั่งมาถึงทํากายให้สงบระงับจากเวทนาคือเรื่องของปีติในปีติก็หยาบกว่าสุขสุขก็ละเอียดลงมาจนกระทั่งถึงการทําปรุงแต่งทางจิตให้ระงับในเรื่องของจิตนั้นก็เริ่มจากการที่รู้เรื่องของจิตทําจิตให้ตั้งมั่นจนกระทั่งถึงทําจิตให้ปล่อย เรื่องของธรรมก็จากการเห็นความไม่เที่ยงจนกระทั่งมาถึงการปล่อยวางทั้งหมดแต่นะจะเห็นว่าความละเอียดมันเพิ่มขึ้นในแต่ละหมวดนะเพราะว่าข้อจํากัดอย่างที่บอกไปข้อจํากัดเรื่องของการพูดทําให้มันจะต้องมีการไล่มาเพราะเด็นถามว่าเอ๊ะมันต้องเรียงกันไหมนะกายเราต้องไปเวทนาแล้วเดี๋ยวต้องไปจิตะคตําตอบคือไม่จําเป็นต้องเรียงกันก็ได้นะในสี่อย่างนี้เราเห็นตรงไหนก็ได้แต่ที่สําคัญคือให้มันละเอียดลงไป แต่ความละเอียดมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปอันนี้ถูกต้องทีนี้ถ้ามันกลับกําเริบก็อย่างที่ว่าว่าเราก็จะต้องทําให้มันไม่กลับกําเริบโดยการพูดถึงเหตุที่จะทําให้การปรวั ย, ยของเราก้าวหน้าไปเข้าถึงธรรมที่ไม่กลับกําเริบได้อันหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือว่าอนาปานสตินี้นอกจากจะทําสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นไดนะ้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมใจสีอย่างเหล่านี้เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้แล้วเนี่ย ก็ยังจะทําโพชง7ให้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ีก็อยู่ในลมหายใจนี้ในเรื่องของโพชง7ก็อยู่ในลมหายใจนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยก็พูดตามที่พระเจ้าสอนแต่เราจะเห็นจริงตามนั้นหรือไม่แต่อยู่ที่คุณนั่งลงแล้วดูลมหายใจของคุณในตั้งแต่ตอนต้นรายการที่พูดมานี่เห็นลมหายใจของตัวเองบ้างไหมเห็นความสุขความสงบที่เกิดขึ้นในใจไหมแต่ถ้าเรามีสติอยู่ ในะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยปรากฏขึ้นทีละอันสองอันในะความแจ่มชัดความชัดเจนมันก็จะค่อยมีขึ้นในะบุคคลที่ทําโพชงเจตเนะี่ยคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมให้เกิดขึ้นได้บ่อยๆมากๆโอกาสที่จิตตรงนั้นจะเข้าถึงธรรมตรัสรู้ธรรมเห็นแจ้งแทงตลอดมีวิชาวิมุติเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้และคําพูดที่ประชาพูดย้ำยํำๆอยู่ในพระสูตรนี้ในที่เห็นชัดเจนเลยอันหนึ่งก็คือมีสติหายใจเข้า มีเสียใจออกนะอันนียนที่1อันนี้2ก็คือทําการศึกษาฝึกฝนแะต่ซึ่งเรื่องนี้คือการศึกษาฝึกฝนนั่นเองถ้าเราไม่เห็นใหศึกษาฝึกฝนดูแตนะ่ศึกษาในเรื่องไหนเอาทำกายให้ระ ง, งับศึกษาในเรื่องไหนทําจิตให้ระ ง, งับแต่บนาะงทีจิตไม่มีการฟุ้งซ่านปรุงแต่งออาค่อยทําการศึกษานะทําการทําความเข้าใจให้ทำไงให้มันระ ง, งับแตนะ่ตรงนี้เราจะวานยังไงเราจะแก้ยังไงแลนะก็ทําการศึกษาฝึกฝนไปเรื่องนี้ทำไปฝัง ลมหายใจเนี่ยเราหายใจมาตั้งแต่จากออกจากท้องแม่อวแววแวอกมานี่ยจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายของเราเองร่างกายนี้ก็หนกดับไปนั่ยจากช่วงเวลาที่เราคลอดจากท้องแม่จนถึงช่วงเวลาที่เราจะตายไปเนี่ยกูมีลมหายใจอยู่ตลอดเนะี่เรามีสติได้ตลอดนี่ยเราทําการศึกษาในเรื่องนี้เราจะทําความเข้าใจในเรื่องลมหายใจเรื่องสติของเราได้เนะี่มันศึกษากันทั้งชีวิตนั่นละเ่ยนะเพราะมันหายใจกันตลอดชีวิต แล้ถ้าท่านฟังต้องการจะฝึกปฏิบัติกัยงังจริงจังๆก็ยินดีต้อนรับที่วัดป่าดอนหายโศกเราก็มีเปิดสอนอยู่ทุก ๆ, ๆเดือนเดือนละครั้งครั้งละ7วันนะโดยท่านฟังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อ ง, องการปฏิบัติได้แก็ไปที่เว็บไซต์ของวนะัดวัดป่าดอนหายโศก wpdhs.orgwp ก็ย่อมาจากวัดป่า d h s ็ดอนหโศก .org ดนั้นก็จะมีรายละเอียดเรื่องของอนาปานาสติในเรื่องของการหลีกเล่นปฏิบัติธรรม ใ, ใบสมัครข้อมูลรูปภาพอะไรก็อยู่ที่เว็บไซต์นั้นส่วนเรื่องของการติดต่อกับทางรายการก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรร .com p u r e d h a m m .com ในวันนี้ครับทชานรรบไปบุญก็ขอลาไปก่อนจริง์บอล